อาเสวิตาเนี่ยแปลว่าทําซ้ําๆำซักซัอาเสวิตายะภาวิตายะพาหูลีกตายะไอพาหูลีกตายะเนี่ยก็แปลว่าทําๆทำซ้ำซักแต่ว่าภาวิตาเนี่ยแปลว่าวุฒิถิ่งแปลว่าโตขึ้นทําให้มันโตขึ้นเพิ่มคุณภาพเช่นไฟเนี่ยทำให้ไม่ใช่ไฟรีนะแต่ว่าไฟให้่าไม่ใช่เอารีลงอะนะแต่มันขยายขึ้นขยายขึ้นเพิ่ม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 ความหมายของมัคสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของเห็นเห็นอะไรเห็นอริยสัตว์เนี่ยนะเมื่อเห็นอริยสัต์ครั้งแรกแล้ว่าเป็นพระโ์ดาบันทีนี้เมื่อเห็นแล้วมัคมัคเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเห็นกับกลุ่มภาวนาเมื่อเห็นอริยสัตว์ครั้งแรกแล้วภาวนาขึ้นเป็นสกทาคามีมัคภาวนาขึ้นให้เป็นอนาคามีมัคภาวนาขึ้นให้เป็นอรหัตตมัคมัคจึงแบ่งเป็นสองกลุ่มมัคที่มีความหมายว่า ทัศนะเนี่ยนะทัศนะสัมปันโนพระโสดาปเิมบุกเนี่ยเห็นส่วนที่เหลือเป็นภาวนานี่ยนะก็ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพั้นพยายามเจริญกุศลและทําทําบุญมือนกันเถอะบุญไหนๆที่ทําไปเนี่ยก็ให้มันเป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจมันแม้กระทั่งว่า ก, กิจกรรมไปให้ทานทานที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามก็ให้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เห็น อริยศาสตร์เธอแต่ถ้าไม่นี้จริงๆเลยนะบอกอริยศาสตร์รู้คิดแล้วปวดหัวเมื่อวานก่อนเจอชาวต่างประเทศเข้ามาก็คุยกันพูดภาษาเขายากแต่ฟังเขาออกแต่เราพูดไม่ได้ก็เให้ล่ามพูดจะพูดให้ง่ายไงอบอกคุณจะไปไหว้พระาธราตุจะไปไหว้พระาธาตุที่ศรีลังกาหอบนะพาหมู่คณะไปห้าสิบคนนั่นน่ะเอางี้แล้วการไปไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้า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 ถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้นะโยมเออความรู้ในโลกเลยมันมากจริงๆเลยมันมีสองอย่างรู้แล้วพ้นทุกข์กับรู้แล้วดับทุกข์แต่โดยมากรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่พ้นทุกข์ถ้ารู้ตามอย่างอื่นนะมีแต่สร้างทุกข์อยเราเนี่เราว่าเก่งมากเลยนะหลายคนที่เห็นว่าเก่งๆจริงๆอ่ะนะแต่ความรู้ที่เขาเก่งเขากล้าสามารถเชื่อไหมจบลงด้วยความทุกข์เนี่ย น, นะเคยเห็นคนเก่งคนไหนบางที่ไม่ทุกข์โยมามีไหม หายากมากเว้นแต่เห็นอริยสัจนั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ทีนี้เห็นอริยสัจกระจําอริยสัจก็ไม่เหมือนกันเห็นอริยสัจนี่แปลว่ามีปัญญาเห็นเนี่ยอย่างเห็นคนในห้องนี่เห็นสัจจะเลยไหมเห็นความจริงเลยไหยถ้าเห็นความจริงคืออริยสัจได้ก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าไม่เห็นความจริงคืออริยสัจได้เนี่ยโอ้ยร้องไห้ร้องไห้อีกนานเหมือนกันนะของเรื่องเนาะเห็นแดดก็บอกแม้ต้องเอาผิวหนังไปสัมผัสกับแดดอีกนานเนี่ยนะ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 คือพยายามสอบสวนมัน่งอ่ะในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ให้สอบสวนตัวเองให้บ่อยๆเลยนะว่าที่เราเจริญเนี่ยเราเจริญอะไรได้บ้างแล้วเจริญแล้วมันเติบโตขึ้นไหมเพียงพอไหมพ้นทุกข์บ้างไหมอะไที่เราเจริญและเจริญไปถึงไหนเป็นอย่างไรเนี่ยท้ามตัวเองบ่อยๆว่าที่เรารู้เราเข้าใจนี้เราเข้าใจว่าอย่างไรแล้วก็เก็บความเข้าใจแล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งให้เราเข้าใจตามนี้หรือเปล่า ถ้าเราเข้าใจไม่ตามเปลี่ยนความเข้าใจใเราเถอะอย่าไปเปลี่ยนคำสอนเปลี่ยนความเข้าใจพยายามน้อมไปเพื่อจะเห็นคำสอนอย่าไปแก้คำสอนมาหาความเข้าใจของของเราให้แก้ความเข้าใจของเราปรับตัวเข้าไปหาคำสอนถ้าเราแก้คำสอนมาหาเราเราคือาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เราคือคนไม่ปกตินะไม่ปกติมีอยู่สองอย่างนะแต่โดยมากอาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นนะถ้าเราแก้คำสอนมาหาใจเราเชื่อคำสอนเนี่ยนะท่าวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วไม่แปลผิดไม่พลาดไม่มีอะไรนะคำสอนถูกอย่างเดียวเราเนี่ยเข้าใจผิดแต่ถ้านี่ก็มีคนถามว่าถ้าต้องแก้คำสอนนี่ใคราศาสดาของใครกันแน่เนี่ย น, นะเร า, าเรานับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านับถือเราเัราพระพุทธเจ้าต้องแก้ไขพระโอษฐ์ให้มาเป็นไปตามเราเข้าใจ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 พระนิพพานเชื่อไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะสตินีที่ในโสตาปฏิยังฆธรรมสีวิริยินสที่ในสัมมประทานสีสตินีที่ในสติประธานสีสมาธินีที่ในปัญญ์ฌานสีแล้วก็ปัญญินสีที่รู้อริยสัจสีเนี่ยนะ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 คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่สอนให้เราเกิดศรัท ธ, ธามากที่สุดทีนี้ถ้าเราจะขยันจะหมั่นจะเพียรเนี่ยนะเราแหล่งที่จะทําให้เกิดความเพียรมากที่สุดแหล่งอันนั้นเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนก็ที่นายพระไตรปิฎกแต่เขามีนะสัตทินซีเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยอินรีห้าจริงๆเนี่ยจะเจริญโดยอาการสิบห้าจริงๆแล้วจเจริญโดยอาการสิบห้าแต่นี้เราพูดถึงในในด้านนามธรรมาก่อนว่าไปหา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 พันธ์พระไตรปิฎกถ้าพูดถึงตำรับตำราในยุคนี้ น, นะหลักการในยุคนี้พระไตรปิฎกเป็นแหล่งที่ทําให้เจริญอินรียห้าได้ดีที่สุดอันนี้ในที่หนึ่งหข้อเลยนะทีนี้ข้อกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเราอยากมีศรัทธาเราต้องไปหาคบคนที่เขามีศรัทธาแล้วเออเขาเข า, เขาคนนี้มีศรัทธาเยอะเออเขาศรัทธาอะไรกันแน่บางทีต้องต้องไปแยกตรงนั้นอีกทีหนึ่งเนี่ยนะเขาศรัทธาอะไรกันแนะ่เนี่ยนะตกลงเขาเอาไงกันแนะ่เหมือนกันเถอะพันธ์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 พันแหมยอยากมีศรัทธามากก็ไปดูพวกไอ้ภาพพยนตร์กลุ่มนั้นแล้วก็หมดศรัทธาแน่เนีน่ยนะหมดศรัทธาในพระพุทธเจ้าแน่เพราะพระองค์ก็ไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไปอะไรเลยเนีน่ยนะการสร้างบารมีของพระองค์ก็เป็นยังไงกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าใครเจ้าชายขี้เมาคนหนึ่งนะเจ้าชายขี้เมาคนหนึ่งย่ําเป๊ยนัน่นแหละนันก็เลยคนละเรื่องกันเลยเนีน่ยนะพันข้อมูลเกี่ยวกับพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพัน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 พันเราต้องพยายามตรงเนี้ยข้อมูลแล้วข้อมูลเป็นที่ตั้งแห่งความภาคเพียรข้อมูลเป็นที่ตั้งแห่งสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันบุคคลที่จะทําให้เราเกิดศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันทบทวนพยายามทบทวนสอบสวนเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานไหมเพื่อถูกต้องไหมอะไรไหมพัน